ฟังแล้วเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นทําให้มีความอุตสาหพยายามอยากให้เป็นไปตามที่ท่านเมตตาสั่งสอนหนึ่งไม่นอนเพราะความดื่มดำในธรรมท่านและธรรมโอชาที่มีอยู่กับใจตัวเองเป็นเครื่องประสานกันหนึ่งส่วนความดูดดืนธรรมภายในใจของแต่ละท่านนั้นต่างกันไปตามภูมิที่มีอยู่กับใจบางท่านมีสมาธิอย่างอ่อนบางท่านมีอย่างกลางบางท่าน มีอย่างละเอียดแนบแน่นซึ่งแต่ละขั้นก็เป็นธรรมปิติตอให้เกิดความดูดเดิม ร, รื่นเริงได้ตามภูมิของตนและบางท่านเริ่มฝึกหัดวิปัสสนาปัญญาอย่างอ่อนไปตามขั้นสมาธิของตนบางท่านพิจารณาวิปัสสนาอย่างกลางบางท่านเจริญวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นไปและบางท่านก็เจริญวิปัสสนาภูมิอัตโนมัติ คือสติปัญญาที่หมุนตัวไปกับธรรมประเภทต่างๆที่มาสัมผัสใจไม่มีลดละปล่อยวางถ้าเป็นฝนก็ชนิดตกพรำทั้งวันและคืนไม่มีหยุดถ้าเป็นน้ําก็ชนิดน้ํำซับน้ําซึมไหลรินอยู่ตลอดเวลาทั้งหน้าแรงหน้าฝนเมื่อเป็นวิปัสนาธรรมจึงให้นามตามนิสัยและสันวนตาว่าสติปัญญาอัตโน ม, มัติหากจะเรียกชื่อดังครั้งพุทธการท่านเรียกกันว่ามหาสติมหาปัญญา ก็ไม่น่าจะบกพร่องทางคุณสมบัติเพราะสติปัญญาท่านนี้ทําหน้าที่เต็มภูมิอยู่ตลอดเวลาไม่มีชะนักชักช้ า, ชาและต้องถูกบังคับถูไถายแต่อย่างใดเหมือนปัญญาทั่วๆไปแต่เป็นสติปัญญาที่รู้จักการงานในหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์อยู่แล้วแต่จะให้นาว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาแบบครังพุทธกาลท่านวิสัยป่าไม่อาจเอื้อนตีเสมอได้จึงหันมาใช้สติปัญญาอัตโนมัติแทน รู้สึกเหมาะสมกับภูมิิสัยทำเหล่านี้แลที่พาให้พระทูดงท่านเธอในความเพียรไม่ค่อยหลับนอนกันต่างท่านต่างเธอในธรรมตามภูมิของตนองค์ที่เกิดความสงสัยแต่ไม่กล้าเรียนถามท่านได้ในเวลาปกติเมื่อถึงวันประชุมจึงเป็นเหมือนจะพอเหินเดินอากาศได้เพราะความดีใจที่จะได้ฟังการบุกเบิกส่งเสริมตามจุดที่ตนกําลังพิจารณาและตอนที่กําลังสงสัยเพื่อผ่านไปเป็นพั ก, พก ต่างก็ตั้งท่าตั้งทางประกอบความเพียรเตรียมรอรับการสอสงธรรมจากอาจารย์กัน ร, ราวกับสาหิมาเป็นปีๆพอจวนถึงเวลาต่างองค์ต่างทยอยกันเข้ามาสู่ที่ประชุมด้วยความสงบเส ง, เงี่ยมงามตาหน้าคารพเพื่อมใสเป็นอันมากยากจะหาพบได้การกล้าเข้าสู่ที่ประชุมของแต่ละองค์มีความประสงค์ในธรรมอย่างแรงกล้ามุ่งหน้าสดับธรรมอย่างถึงใจต่างองค์ต่างกราบและนั่งเรียบร่าคอยสดับธรรม พอได้โอกาสอาจารย์พวกห้โ อ, อวาสก็เริ่มแสดงธรรมและค่อยๆลงังไหลออกมาไม่ขาดวักขาดตอนราวกับฝนเริ่มโปรโยเม็ดลงมาทีละหยดละหยาดฉนั้นและก่อนท่านจะเริ่มแสดงมีสงบอารมณ์พักหนึ่งถ้าตามความคิดเดาของผู้เขียนก็น่าจะกำหนดบทธรรมที่ควรแก่กรณีของผู้รอฟังอยู่แล้วอย่างพร้อมเพรียงเวลานั้นจากนั้นจึงเริ่มแสดงธรรมที่ท่านสั่งสอนพระธุดงค์โดยเฉพาะนั้น รู้สึกจะเริ่มแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปหาปัญญาเป็นส่วนมากจนถึงทำขั้นสูงสุดที่มุดหลุดพ้นเป็นที่ยุติขณะที่แสดงไม่มีเสียงอะไรนาะรบกวนมีแต่เสียงธรรมประากาศกลางวันอยู่ทั่วบริเวณสถานที่ประชุมอย่างเดียวผู้ฟังฟังด้วยความสนใจใค ร, ร่รู้ใคร่เห็นตามท่านอย่างเต็มใจไม่พลั้งเผลอยอมให้จิตทรงไปอื่นคอยคอยกําหนดดูอยู่เฉพาะใจดวงเดียวซึ่งเป็นผู้ควรแก่ทําทุกขั้น ทำที่ท่านแสดงกับใจที่ตั้งรอรับไว้โดยชอบย่อมควรแก่การรู้เห็นสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องไม่มีประมาณสัจธรรมก็ดีสตสิปัฏฐานก็ดีไตรลักษณะคืออนิจจทุกขังอนัตตก็ดีที่เป็นความจริงตามส่วนครอบแดนมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกธาตุซึ่งท่านนํามาแสดงในเวลานั้นจึงเป็นเหมือนได้ฟังความจริงทั่วไตรภพที่หลามาบรรจบในใจดวงเดียวซึ่งเตรียมรับทราบอยู่อย่างเต็มใจ ให้ได้ฟังอย่างถึงใจเพราะความสัมผัสไปมาแห่งธรรมทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งไหนและนอกขณะท่านแสดงประบวลมาเป็นธรรมสงเคราะห์ลงในการในจิตของผู้ฟังได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีทางสงสัยใจที่เคยเก็บกรอบหอบผิวกิเลสทั้งหลายโดยถือว่าเป็นของดีมาดั่งเดิมเมื่อได้ฟังทั้งคุณและโทษทีทัางโปรดเมตตาแล้วจะไม่ยอมละทิ้งปล่อยวางก็รู้สึกจะมืดมิดติดตายเกินไป แต่จะมีใครที่ตั้งหน้ากอบคอยโรยทุกข์ใส่ตัวเองเวลานั้นทั้งที่ตั้งหน้ามาฟังความจริงอย่างเต็มใจจากครูอาจารย์ผู้แสดงธรรมของจริงล้วนๆ น, นอกจากจะฟังเพื่อเห็นทั้งโทษและคุณที่ท่านแสดงไปตามธรรมจริงเท่านั้นสิ่งที่เป็นโทษควรละยมละสิ่งที่เป็นคุณควรยึดและส่งเสริมไปตามความจริงและเจตนาไม่มีทางเป็นอื่นดังนั้นผู้ฟังเพื่อความจริงตามธรรมที่ท่านแสดงตามความจริง จึงมีทางรู้ทางละเป็นผลเครื่องยืนยันรับรองสําหรับตัวโรคที่ยอมหายด้วยยาและกิเลสที่ยอมหมดสิ้นไปด้วยธรรมจึงเป็นสติธรรมดาที่โลกและธรรมเคยปฏิบัติต่อกันมานอกจากโรคชนิดไม่ฟังยาและกิเลสชนิดไม่มองดูธรรมเท่านั้นเป็นครื่นขี่ร้ายก็ต้องฉิบหายไปตามๆกันไม่มีทางเหลือหล่อเรียกว่าโรคสุวิสัยการประหยัดของพระทุดงกรรมฐานการนุ่งห่มใช้สอยบริการต่างๆของพระทุดง เฉพาะท่านอาจารย์มั่นรู้สึกท่านพิถีวิถันและมัธยัตเป็นอย่างยิ่งไม่ยอมสูรุ่ยสุร่ายเป็นอันขาดตลอดมาปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมีมากเพียงไรก็ไม่ได้ใช้แบบฟุ่งเฟือยเห่เขื่ อ, อไปตามเลยปฏิปทาคือข้อบปฏิบัติต้องคงเส้นคงวาอยู่โดยสม่ำเสมอแต่การสงเคราะห์ให้ฐานนั้นสิ่งของมีเท่าไรเป็นให้ทานไม่มีเหลือและไม่เห็นท่านเก็บสังสมอะไรไว้บ้างเลยท่านสงเคราะห์ให้ทานทั้งพระเนนเทนที และครวางทุยาจนที่มาหาเท่าที่สังเกตรู้สึกว่ากิตท่านทั้งดวงเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารโลกมากไม่มีประมาณแต่การนุ่งห่มเอยๆท่านปฏิบัติอีกแบบหนึง่งเหมือนพระอนาถาไม่มีอะไรติดตัวผ้าสังคารติอีวอนสบงผ้าอาบนา้ำขาดขาดวิ่นวิ่นมองเห็นแต่รอยปฏิปต่อประปะชุนๆเต็มไปทั้งผืนเห็นแล้วอดสรสังเวชไม่ได้ เพราะไม่เคยเห็นในวงคณะสงไทยทํากันอย่างนั้นมาก่อนเลยเพิ่งเลยเห็นท่านอาจารย์เป็นองค์แรกที่ทําอย่างนี้ท่านพยายามปะชุนเสียจนไม่มีที่จะปะแต่ชุนจนเนื้อผ้าเก่าที่มีอยู่ดั้งเดิมเปื่อยหายไปหมดปรากฏแต่ผ้าใหม่ที่ปะชุนทีหลังทั้งนั้นผ้าทั้งผืนที่ปะแล้วชุนเล่าจนรอยด่างๆเ ด, ด, ดาวๆเหมือนลายเสือโคร่งเสื้อดาวเราดีๆนี่เองไม่ยอมทิ้งแบบเปล่าประโยชน์อย่างง่าย เมื่อเห็นหมดสาระในการนุ่งห่มแล้วก็ทําเป็นผ้าเช็ดมือหรือเช็ดเท้าหรืออื่นๆต่อไปที่พอเกิดประโยชน์ได้อีกจนแหลกละเอียดเสียจริงๆไม่มีทางจะทําอะไรต่อไปได้อีกแล้วท่านถึงจะยอมทิ้งไม่ว่าผืนใดขาดในบรรดาผ้าผ้าครองหรือผ้าบริหารที่ท่านนุ่งห่มใช้ใส่ผืนนั้นต้องถูกปะถูกชุนจนคุ้นคนทั่วไปดูไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นใครทํากันในเมืองไทยที่เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือ จนทำให้คนลืมตนมีนิสัยฟุ้งเฟอ้อฟุ่งเฟยแม้เป็นคนจนๆท่านเองไม่เคยสนใจว่าใครจะตำหนีตีชมเพราะการทำเช่นนั้นแม้บริการเครื่องใช้ในวัดเช่นครุภัร็บเครื่องจากน้ำกระป๋องกระบวยจากน้ำหรือสิ่งอื่นๆที่ชนรดลงท่านจะนำมาแก้ไขดัดแปลงสมัยแล้วนำไปใช้ได้อีกจนสุดสาระของสิ่งนั้นนั้นท่านถึงจะยอมทิ้ง การเก็บรักษาบริขาและเครื่องใช้สอยต่างๆภายในวัดหรือที่พักท่านเข้มงวดขวดขันมากต้องเก็บรักษาหรือจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบงามตาไม่ปล่อยทิ้งให้เสียหายและเกี่ยวกักีขวางสถานที่และทางเดินได้เลยใครวางสิ่งใช้สอยต่างๆไว้ไม่ดีท่านจะเรียกหาตัวมาสอบถามและดูดาซังสอน ท, ทันทีไม่ให้ทําเช่นนั้นต่อไปอีกบางท่านอาจจะคิดข้องใจสงสัยหรือจะเป็นการอย่างเสียงค้อหรือจะเราถูก โดยเรียนถามท่านอย่างเดือดก็มีว่าอย่างอื่นๆก็ไม่สําคัญนักแต่เฉพาะผ้าสังฆาติผ้าจีวรผ้าสบง n ซึ่งเป็นบริขารสําหรับองค์และสาคัญกว่าบริขารอื่นใดท่านอาจารย์ก็ไม่ได้อ ด, ยาาดอยากขาดแคลนหรือท่านผู้ศรัทธานำมาบริจาคถวายอยู่เสมอควรจะใช้สอยผืนใหม่เพื่อฉลองศรัทธาเขาบ้างส่วนผืนเก่าก็ควรสละออกเพื่อท่านผู้ใดประสงค์จะรับไปไว้สักการบูชาก็กรุณาให้ไป ไม่ควรสงวนใช้จนขาดละเอียดและประชุนเสียจนดังดาวไปทั้งผืนราวกับเสือเดินผ่านตลาดดังที่เป็นอยู่เวลานี้คณะลูกศิษย์เห็นแล้วเกิดความอับอายชาวบ้านที่ลังไเลเข้ามากราบธรรมสถานและถวายทานแก่ท่านอาจารย์ไม่ได้ขาดทายทานแต่ละอย่างที่คณะสถานนำมาถวายแต่ละครั้งมีไม่น้อยไม่น่าจะประหยัดใช้แบบประปรชุนชุนดังที่เป็นอยู่นี้ซึ่งน่าอับอายแทนอาจารย์และเกินไม่อยากให้ทำ แต่อยากให้ท่านอาจารย์ทําพอสมเกตบ้างว่าเป็นอาจารย์สั่งสอนคนแทบทั่วประเทศการกราบเปลียนนี้ก็เพราะความเคารพเพื่อมใสและรักสงวนอย่างฝังใจแต่เมื่อเห็นท่านอาจารย์นุ่นผมใช้ซอยบริหารต่างๆแบบขาดขาดเคิร์นเคิ น, นต่อตอติดติดประปะชุนชนอยู่เป็นประจำไม่มีการถัดเปลี่ยนเลยทั้งที่สิ่งของไม่อยู่ก็ทําให้นึกน้อยใจและอับอายชาวบ้านเรากับอาจารย์ของตนหมดราคาข่างวดไม่มีชิ้นดีเลย พิทูประการใดก็ขอประธานโทษเพราะกราบเรียนด้วยเจตนาวังดีและเทิดทูนยิ่งกว่าชีวิตจิตใจดังนี้ขณะพระกราบเรียนจบลงท่านเองนั่งเฉยเราวกับไม่ได้ยินต่างองค์ต่างเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นท่านจึงเริ่มพูดออกมาแบบเรียบๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเหนือโลกความสุขที่ทรงคนพบจากความฉลาดก็เหนือโลกเป็นองค์แรกเพราะว่าที่ทรงสั่งสอนหมู่ชนก็มาเหนือเมฆคือเหนือสมมติทั้งบวง ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติและสั่งสอนได้เหมือนอย่างพระองค์ศาสนาธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ก็เป็นมัชฌิมาธรรมซึ่งเหมาะกับการสถานที่บุคคลตลอดมาไม่มีการขัดแย้งกับความจริงที่ควรตนิธสาหรับมูชลมหวังเหตุผลเป็นเครื่องดําเนินเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยตามพระอวาจนการปฏิบัติก็ทรงธ ร, รมด้วยความรอบคอบการรู้เห็นธรรมก็ทรงรู้เห็นด้วยความรอบคอบชอบธรรม การสั่งสอนก็ทรงทำด้วยความรอบคอบตามหลักของาศาสดาผู้เป็นบรมครูไม่ปรากฏว่ามีสิ่งบกบข้องๆตามมากับาศาสนธรรมของพระองค์เลยฉะนั้นพวกเราผู้เพียงปฏิบัติตามพระโอวาทซึ่งเทียบกับการทรงขน ข, ขาวขายด้วยความลำบากทรมานของพระองค์เพื่อมูชนแล้วก็เท่ากับพวกเราพากันขาอ่อนมืออ่อนคอยล่างมือรับประทานเท่านั้นไม่มีความยากเย็นอะไรเลยลองคิดดู พระองค์ที่ทรงนำสาวกดำเนินมานั้นทรงนำมาด้วยความฟุ้งเฟอ้อเห่อขนองหรือทรงนำมาด้วยความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแห่งปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายทรงนำมาด้วยความมากมา ก, มากแต่พาตัวเป็นซากศพของกิเลสตัณหาหรือด้วยความมักน้อยปล่อยกังวลทั้งหลายทรงนำมาด้วยความประหยัดดัดความอยากที่หลากมาท่วมหัวใจไม่มีเวลาอิ่มพอหรือด้วยความฟุ้งเฟ้อเรี่ยราดเพราะความประมาทขาดสติเล่า เพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าพระที่ทำตนเป็นคนฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่งเฟยนั้นก็คือพระที่ตนและผู้อื่นดลีงยากปากก็กว้างท้องก็โตกิเลสในใจแม้พลเมืองดียังสู้ไม่ได้การพยายามเก็บรักษาสิ่งที่เห็นว่ายังจะเกิดประโยชน์ต่อไปได้อีกตามสาระของมันและการประหยัดมัธยัตในสมบัติทั้งหลายเพื่อความจีรังยั่งยืนไม่รบกวนชวนให้เกิดความขิบหายอยู่ไม่มีวันสุดสิ้นนั้น เป็นทางของคนฉลาดในเหตุผลท่านดําเนินกันท่านเหล่านั้นมิใช่ผู้ฟงเฟอ้อเหอขนองพองตัวแต่หาเนื้อติดกระดูกไม่ได้สมบัติเงินทองมีเท่ารายจ่ายไปเสียไปสิ่งที่จะเป็นผลกำไรพอตั้งรากตั้งฐานแห่งชีวิตและความดีต่อไปไม่มีเท่าเสี้ยวหนึ่งของคนจนที่มีนิสัยประหยัดฝึกหัดตัวแต่ท่านเหล่านั้นแลเป็นผู้วางรากวางฐานอันดีงามไว้พอให้โลกมีผลทางขบคิดและตั้งตัว มีหลักฐานทางสมบัติจิตใจสื่อต่อกันมาไม่ใช่ผู้สุวิสุร่าใจด้วยอำนาจความทะเยอทยานพาชุดลากไปเมื่อมีวันยับยั้งตั้งตัวได้นจนวันตายใครง้ออุตริกคิดเอาอย่างคนแบบนั้นมาใช้จะกลายเป็นคนตายแบบไม่มีประชาไปตลอดสายแห่งสกุลท่านย้อนถามพระองค์ที่เรียนถามว่าท่านเคยเห็นลิงรับอาหารจากมือคนไปกินหรือเปล่าว่ามารับอย่างไรและกินแบบไหนท่านองค์นั้นเรียนตอบท่านว่า เคยเห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้สังเกตว่ามันรับแบบไหนและกินอย่างไรท่านว่าเพียงความกินอยู่ของลิงท่านยังไม่ได้สังเกตเวลาถูกถามก็ตอบไม่ได้แล้วท่านทำไมจึงมาถามเรื่องการใช้สอยบริการต่างๆกับผมโดยไม่มีเหตุผลที่น่ารับฟังบ้างเลยผมยินดีฟังทั้งคำตีคำชมเพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั่วไปแม้คำตีชมก็เป็นธรรมด้วยถ้าพิจารณาให้เป็นธรรม แต่ถ้าไม่พิจารณาก็เป็นโลกและทําคนให้หลงได้ทั้งคําติและคําชมเชยเพียงการอยู่กินของลิงท่านยังไม่สนใจสังเกตพอพทราบลัทธิของมันบ้างแล้วท่านจะทราบความเป็นอยู่เช้สอยของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้อย่างไรว่าท่านทรงปฏิบัติองค์ท่านอย่างไรในความเป็นศาสดาและเป็นศาสยรบุตรที่ควรเป็นสรณะของโลกได้อย่างมั่นใจตลอดมาท่านยังคิดอยากทราบอยู่บ้างหรือเปล่าว่าลิงมีลทัทธินิสัยต่างจากคนอย่างไรบ้าง ถ้ามาอยากทราบลทัทธิของลิงไว้บ้างพอระดับสติปัญญาแต่จะปีนไปอยากทราบอาริยประเพณีของาศาสนาก็รู้สึกว่าจะปีนสูงมากไปผมจึงไม่อยากอธิบายท่านฟังแม้พออธิบายได้ท่านองค์นั้นรีบตอบว่าแต่ก่อนกระผมก็ไม่เคยได้ยินท่านผู้ใดามาพูดเรื่องลิงให้ฟังว่ามันมีลทัทธินิสัยอย่างไรแต่พอท่านอาจารย์ถามจึงทำให้เกิดความสนใจอยากทราบว่า ลิงมีนิสัยต่างจากมนุษย์อย่างไรบ้างแต่ก่อนก็พอทราบได้จากสายตาที่เคยเห็นมันอยู่เสมอจนเบื่อไม่อยากดูเพราะความที่มันเป็นสัตว์ที่มีนิสัยหลุดติกไม่อยู่เป็นสุขประจําตัวที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้กระผมไม่ทราบได้ต่อจากนี้เป็นคําสนทนาระหว่างท่านอาจารย์มั่นกับพระองค์ที่เรียนถามท่านองค์นี้อยากทราบลัทธินิสัยลิงท่านอาจารย์มัน่นเริ่มตอบท่านว่าลิงก็เหมือนคน มีนิสัยหลุกลิกไม่ชอบอยู่เป็นความสงบสุขตามถนองครองธรรมเหมือนสุภาพชนทั้งหลายนั่นเองเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ด้วยความขนองทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งตัวผู้ตัวเมียมาตลอดโคดแทะของมันความขนองของลิงไม่มีขอบเขต จ, จำกัดเหมือนคนที่ไม่ได้รับการอบรมสิ่งธรรมาบ้างเลยแม้จะแก่จนผมงอกขาพรวนเป็นสังหรีไปทั่วทั้งศีรษะก็ไม่รู้จักความสงบร่มเย็นคืออะไรและสิ่งนั้นจะเกิดได้ด้วยวิธีใด เป็นซาตีไว้ใจไม่ได้ตลอดไวัแม้เลี้ยงมันให้อยู่กับคนมาแต่เล็กจนโตแต่นิสัยก็เป็นของตัวมันเองไม่สนใจยึดเอานิสัยของมนุษย์ไปใช้เลยแม้แต่น้อยสัตว์พันธนี้เกิดแบบลิงอยู่แบบลิงและตายแบบลิงไม่มีแบบอื่นใดมาเจอคนเลยคนที่ยึดเอาลทัทธินิสัยลิงมาเป็นตัวของตัวจึงเลวร้ายยิ่งกว่าลิงและทําความเดือดร้อนให้โลกไ ด, ได้รับร้ายแรงและกว้างขวางมากยิ่งกว่าลิง สิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองก็คือเวลาไปพักบำเพ็ญอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์เหล่านี้นี่พูดถึงตอนออกเที่ยวทุดงใหม่ๆยังไม่ทราบนิสัยของสัตว์พวกนี้ได้ดีพอเวลาเขามาเที่ยวหากินตามบริเวณหน้าถ้ำที่เราพักอยู่ทีแรกมองเห็นเราก็กลัวแต่พอเห็นอาการเราไม่เป็นภัยต่อเขาเขาก็ไม่กลัวและพากันเที่ยวหากินมาที่นั้นแท้ทุกวัน เราเองก็คิดสงสารเห็นเขามาเป็นฝุ่งฝูงและปีนฝ่ายขึ้นลงอยู่บริเวณหน้าถ้ำทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สนใจกับคนพอได้อาหารมาหรือจากฉันก็แบ่งแว่เขาเวลาเขามาก็เอาอาหารมีกล้วยบ้างข้าวบ้างพลไม้ต่างๆบ้างไปวางไว้ตามก้อนหินให้เขาเก็บกินเองพอเรานําอาหารไปวางต่อหน้าเขาแล้วหันหลังกลับมาเท่านั้นต่างตัวต่างแย่งกันกินอย่างชลมวุ่นวายโดยไม่ได้คิดเกรงกลัวเราบ้างเลย วันหลังยิงพากันมาแต่เช้าและคอยอาหารที่เราจะเอาไปให้เพียงสองสมัมผเท่านั้นก็ได้การคือต่างแสดงฤทธิ์อย่างเต็มที่ไม่มีความเกรงกลัวเราบ้างเลยและพากันเที่ยวยุ่มย่างเข้ามาค้นหาอาหารในที่พักเราจนสิ่งของบริการต่างๆตกกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดเวลาไปบินทบาทนอกจากนั้นบางตัวยังทําท่าจะกัดเราอีกด้วยแยกเขี้ยวยิงฟันทําปากขมุกขมิบคิ้วขมวดขึ้นขมดลงขู่ขขเราเรากลับจะบอกว่า โมยลิงรวดเร็วยิ่งกว่าโมยมนุษย์โมยมนุษย์สู้ไม่ได้ถ้ามายากเจ็บอย่ามายุ่งเดี๋ยวโดนจะว่าไม่บอกฉะนั้นเราต้องใช้อบายขู่ด้วยวิธีต่างๆจึงพากันหนีไปจากนั้นก็ไม่อาจให้อาหารแกสัตว์จำพวกนี้อีกทั้งที่สงสารและไม่ทำอาการให้เขาสนิทสนมเหมือนแต่ก่อนต่อไปจึงไม่มารักวนอีกนี่แหลสัตว์จำพวกไว้ใจไม่ได้ถึงจะสงสารเลี้ยงดูเขาดีเท่าไร เขาก็พูดลิงตัวขนองไม่รู้จักคุณและไม่รู้จักคนอยู่นั่นเองขณะที่ยื่นอาหารให้ต่างตัวต่างวิ่งมารุมเราจนาหน้าเกลียดหน้ากลัวบางตัวแทบจะตัดเราในเวลานั้นเข้าด้วยเพราะความโลภมากในอาหารแสดงอาการลุกเลี้ลุกรนจนแทบดูไม่ได้ทั้งวิ่งดักหน้าดักหลังทั้งรุมล้อมทั้งส่งเสียงก็แกล้ขูเข็นเราผู้เมตตาให้อาหารเสาที่น่ากลัวและน่ารำคาญก็คือลิงนั่นแล ท่านพอทราบบ้างหรือยังบรรดาลิงที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านเวลายื่อนอาหารให้เขาแสดงอาการอย่างไรบ้างต่ออาหารที่ให้และต่อผู้ให้อาหารเขาพระองค์นั้นเรียนตอบท่านว่ากระผมไม่ทราบเพราะเป็นแต่เคยให้อาหารเขาแต่ไม่เคยสังเกตขณะที่ให้อาหารว่าเขาแสดงอาการอย่างไรบ้างท่านอาจารย์เลยอธิบายให้ให้ท่านฟังต่อไปว่าใครจะเอาอาหารให้มันก็ตาม แต่สัตว์ท่านี้จะไม่สนใจคนยิ่งกว่าอาหารที่มันจะได้ในเวลานั้นเลยตามันจะจับจ้องมองดูแต่อาหารและโดดขึ้นโดดลงท่าเดียวถ้าอยู่ที่ราบก็วิ่งไปวิ่งมาและมือกว้ามาที่อาหารกับมือคนเท่านั้นพอยื่นอาหารให้ถึงมือแล้วต่กวามับรีบ ป, ปากปากกัดฉีกกินทันทีส่วนตามันจะมองนั่นมองนี่ลุกเด็กลุกเด็ ก, ลกและมองผลไม้ในมือมันทั้งเี้ยวทั้งกลืนทั้งกัดทั้งฉีก ถ้ามองเห็นอาหารในมือคนยังเหลือพอมีทางได้อยู่อีกมันจะรีบกัดรีบกินและรีบซ่อนอาหารเข้าไว้ในกระพุ้งแก้มทันทีแล้วตามองมาที่มือคนและเอื้อมมือมาขออีกถ้าคนให้อีกมันจะรีบกินบ้างซ่อนไว้ในกระพุ้งแก้มบ้างเหลือจากนั้นก็ทิ้งบ้างและเอื้อมมือมาขอใหม่ไม่มีความอิ่มพอในการข อ, ขอให้เทรมายเป็นเอาจนไม่มีอะไรจะให้โน้้แลมันจึงจะหยุดและหันมาเคี้ยวเกินส่วนที่มันซ่อนไว้ในปากต่อไป ลิงเป็นสัตว์ที่สรุ่ยสร้อยมากและ ม, มีความอิ่มพอในอาหารเมื่อ ย, ยังพอจะได้จากใครอยู่แม้ท้องมันจะเล็กๆเหมือนสัตว์ธรรมดาทั่วไปแต่ความโลภและความสรุ่ยสร่อยฟุ่งเฟือนั้นมันนั้นเหลือตัวยากที่จะมีสัตว์ตัวใดเสมอได้เท่าที่ยกตัวอย่างของลิงมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อยนี้ท่านพอทราบได้กระมังว่าที่ท่านมาขอให้ผมผลัดเปลนเครื่องบริการเช่นใหม่โดยทิ้งของเก่าไปเสีย ทั้งที่สิ่งนั้นยังพอให้ประโยชน์ได้อยู่นั่นคือท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบตามแบบลิงและขอให้ลิงเป็นศา ส, สดาสั่สอนผมแทนศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้จักประมาณพอดีทุกอย่างเพราะแบบที่ท่านขอผมนั้นเป็นแบบลิงใช้กันอยู่ตามวิสัยของสัตว์ที่ไม่รู้จักรรมคืออะไรผู้รู้จักทำคืออะไรอยู่บ้างก็ควรคิดคํานึงสภาพของตนและของธรรมว่าอะไรควรหรือไม่ควร การพู ด, ดเกิดเจตนาหวังดีนั้นเห็นใจแต่เจตนานั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียไปแห่งธรรมมีความสั น, ดสนโดษมากน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมที่ยังโลกให้สงบเย็นมานานเพราะธรรมนี้เป็นความเหมาะสมสําหรับโลกผู้ยินดีในขอบเขตมีฝั่งมีฝาภายในใจจะพึงรักสงวนและอุตสาห์ปฏิบัติตามด้วยความยินดีไม่ให้คุณค่าสาระอันจะเกิดจากธรรมนี้ผ่านไปกล่าจะเสียใจภายหลัง ท่านควรคิดดูให้ละเอียดทีท่วนของศาสนาและท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาบ้างว่าเป็นบุคคลเช่นไรพระองค์เป็นมาแบบโลกเป็นกันหรือเป็นมาอย่างไรการสั่งสอนศาสนาทรงสั่งสอนอย่างไรโลกจึงตกลงตรงใจยอมกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามเรื่อยมาจนถึงพวกเราศาสนาธรรมที่ประทานไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนเป็นสวากาสะธรรมโดยสมบูรณ์และเป็นมียาให้ธรรมความระงับดับทุกข์ ความกังวล น, น้อยใหญ่ได้โดยสิ้นเชิงแก่ผู้ปฏิบัติต า, ตามตามกันมาอย่างสมบูรณ์ท่านควรคิดให้ละเอียดตามหลักศาสนาลงไปอีกว่าผู้ทําตัวเป็นคนฟุ่งเฟยตื่นโลกตื่นสมัยกับผู้ปฏิบัติตัวโดวยสม่ําเสมอต่อความจําเป็นไปตามกรณีใครจะมีความทุกข์กังวลทางกายใจมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างสําหรับความเห็นของผมผู้เรียนน้อยเห็นว่าผู้ทําตัวเป็นคนฟุ่งเฟยพองตัวใหญ่ ว่าโลกนั่นแหละคือผู้ตั้งหน้าฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นเพชฌฆาต ท, ทำลายตนคนเราเมื่อคิดเกินความพอดีเหมาะสมแล้วต้องเป็นผู้ก่อเรื่องกระจุยวุ่นวายแก่ตัวเองจนหาความสงบสุขทางกายและทางใจไม่ได้แน่นอนใจต้องคิดเพื่อพ่อพูนมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ถ้าเป็นน้ำก็คุณเป็นตอมเป็นโคลนจนหาที่อาบรดื่มใช้สอยไม่ได้ใจกับกายต้องหมุนเป็นกรงจักเพื่อได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆ ถ้าไม่ได้ต้องกระวนกระวายเพราะหาไม่ทันกับความอยากน้ําล้นฝั่งนั้นเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ต้องหาทางอ้อมไม่ได้ทางสุจริตก็ต้องหาทางสุจริตพอลักขโมยได้ก็ขโมยเอาพอหยิบฉ่วยได้ก็หยิบช่วยเอาพอที้ได้ก็จี้เอาพอปล้นนายก็ปล้นเอาพอคิดโกงได้ก็คิดโกงเอาพอรี่ไถได้ก็รีดไถเอากลืนได้ก็กลืนเอาหรือแม้พอฆ่าได้เป็นฆ่าเอาทั้งสิ้นไม่สนใจคิดว่า เกรงใจไอ้โลกหรือกลัวบาปลัวกรรมเพราะอำนาจนั้นบังคับสุดท้ายก็ถูกจับตัวผู้หญิงใหญ่ไปนอนในห้องขังให้สวยผลความอยากของตนอยู่ในเรือนจำหรือถูกเขาฆ่าตายทิ้งหมกป่าหมกโคลนไม่มีใครไปสืบสาวราวเรื่องปลอให้หายซากไปเลยยิ่งกว่าสาัตซึ่งน่าทุเรศผิดมนุษย์เท่างหลายนี่แลโทษของวิชาลิงที่เป็นสัตว์มีนิสัยบกพร่องส่องคารอยู่เสมอไม่มีความอิ่มพอในสิ่งทั้งปวง ทั้งที่ปากและทองของมันก็ไม่ใหญ่โตกว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ลิงนั้นตายเพราะความอยากทางใจมากกว่าความหิวโหยทางอาหารเมื่อใครวิชาทําลายตัวแบบลิงมาใช้ไม่ว่าพระอหรือคารวัตผู้นั้นต้องเป็นคนผิดสังเกตต่างจากโลกทั้งหลายที่มีความพอดีถ้าเป็นพระก็จะพยายามสอดสวงหาแต่ปัจจัยโดยอุบายวิธีต่างๆด้วยความกระวนกระวายมากกว่าจะละอายหรือสนใจในพระธรรมวินัยอันเป็นความดีงามของสมณะ จนประชาชนเอื้องระาไปตามๆกันไปในทิศทางใดประชาชนหลบหลีเป็นทิวแถวทั้งที่เขามีความเลื่อมสายสาารนธรรมอยู่อย่างฝันใจแต่ที่ต้องหลบหลีกตัวให้พ้นไปก็เพราะทนเพทุบายในการรบกวนของเงินหรือสิ่งต่างๆจากพระที่แก่วิชาไม่ไหวท่านย้อนถามท่านองค์นั้นว่าท่านทราบไหมว่าที่ว่าพระแก่วิชานั้นคือวิชาอะไรเรียนว่าไม่ทราบ อาจารย์ตอบเสียเองว่าก็วิชาขอมาหยุดน่ะสิเพราะพระเราถ้าลงได้ด้านด้วยความฟุ้งเฟอือยเยอทียนอยากและการสแสวงหาราบปัจจัยแล้วต้องด้านทุกอาการไม่มียังอายติดตัวมีแต่ความมุ่งหมายและมุ่งมั่นต่อปัจจัยราดต่างๆโดยถ่ายเดียวว่าขอให้ได้มาคําภาวนาก็คือขอให้ได้มาขอให้ได้มาเท่านั้นไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยคาถายืดยาวเหมือนท่านผููมิเพลินภาวนาทั้งหลายสวดกัน เพียงภาวนาบทเดียวเท่านั้นก็กระเทือนโลกพออยู่แล้วแต่ขืนต่อคาถาให้หยืดยาวไปกว่า น, นั้นโลกจะต้องแตกแน่นอนท่านอาจารย์ถามท่านองค์นั้นว่าท่านตรงการคาถายอดนั้นหรือเปล่าจะได้สําเร็จมรรคผลยังไๆซึ่งไม่มีพระสาวองค์ไหนสําเร็จแบบนี้กระผมไม่ตรงการเพราะเป็นคาถาทำลายาศาสนาและทำลายประชาชนถ้าไม่ต้องการท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบดิงเพื่ออะไรคาถานี้ก็มาจากลิงนั่นเองที่กลายมาเป็นคาถา ย่อบทนี้อยู่เวลานี้กระผมขอประธานโทอดสิกาเปลียนไปตามความรู้สึกที่คิดว่าจะเป็นความสะดวกสบายแก่ท่านอาจารย์โดยไม่ทําให้ท่านอาจารย์ได้ปฏิปทาในวงาศาสนาเสียไปด้วยถ้าคิดว่าจะเป็นไปในสมองท่านอาจารย์อธิบายปฏิปทาลิงที่เป็นสัตว์ฟงเฟอ้อกระผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะไม่ประสงค์จะให้อะไรเสียไปเพราะการเรียนข้อนั้นท่านตอบว่าแม้ท่านมีความนึกคิดไปในทางนั้นก็ตาม แต่การขอร้องก็ชี้บอกอยู่อย่าอยู่แล้วอย่างชัดเจนคนเราไม่ถึงกับต้องขอร้องให้ทําตามกันหมดทุกอย่างหรอกท่านเพียงผ่านทางตาทางหูกลางตลาดเท่านั้นก็เป็นทัศนศึกษาอสมบูรณ์พอยึดไปเป็นแบบฉบับได้แล้วสิ่งต่างๆที่จะทําคนให้ดีและเสียคนได้นั้นมีอยู่ทั่วไปไม่จาต้องจัดเข้าไปในตารางสอนคนก็มีทางยึดได้ถ้าเป็นฝ่ายดีก็ทําผู้ปฏิบัติตามให้เป็นคนดีและเจริญได้ถ้าเป็นฝ่ายชั่ว ก็พาผู้ทําให้เสริมเสียไปโดยไม่ต้องประกาศโฆษณาชวนเชื่อใดๆเช่นคนหรือครอบครัวที่ชอบสุรอสุราพนิสัยคนในครอบครัวนั้นมักเอาอย่างการจนกลายเป็นครอบครัวผมมีลูกหลานที่ซื้อสุราไปตามๆกันรายได้มีมาไม่พอกระไรกับการจับจ่ายเพราะต่างคนตางเป็นนักจ่ายด้วยกันไม่มีใครสนใจประหยัดรักษาแม้จะน่ารำครองยังหืนแห้งไปได้เมื่อไรไม่หยุด เราลองนําครอบครัวที่มีการประหยัดทักษาและจ่ายไปด้วยความมีเหตุมีผลเป็นเครื่องควบคุมกับครอบครัวที่ชอบสรุเสร่ายจ่ายไม่มีประมาณเป็นนิสัยมาเทียบกันดูว่าครอบครัวไหนจะมีความสงบเย็นมีความเดือดร้อนเพราะการเป็นอยู่ใช้สอยมากกว่ากันผมตอบแทนเลยทีเดียวก็ได้ว่าครอบครัวที่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์นั่นแหละจะมีความสงบสุขทั้งความเป็นอยู่โดยลําพังและภาค ท, ทั่วไปยิ่งกว่าครอบครัวที่เป็นโรคไม่มียา และหมอรักษาเป็นยังไหนมได้เปิดคนไม่มีข้อเขียนในการจ่ายและการเก็บรักษาขผมได้ปิดนอกจากเป็นความสงบสุขของตัวและครอบครวัวแล้วยังเป็นการเพราะเด็กปลุกหลุกลหลานตลอดตู้เกี่ยวข้องในวงสกุลให้เป็นคนดีมีคือมีแปรทางความประพฤติและการจับใจตลอดการเก็บรักษาสมบัติต่างๆให้เป็นหลักฐานว่มันคงต่อภายตลอดกาลนานอีกด้วยส่วนคนและครอบครวัวไม่มีประมาณในการรักษาถูกนั้น นอกจากจะเป็นความเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วยังอาจแคบทำตีแตกแวกแนวให้ลูลุกล้ลาล้าในวงสกลุลเสียไปด้วยตลอดกาลนานผมไม่เคยเห็นคนที่ไม่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวทางสมบัติได้เลยเห็นแต่ความฉิบหายผลปี่ติดหนี้สินพรุงเพลังเหยียบย่ำทำลายเขาจนตั้งตัวไม่ติดนั่นแหลจะมีความเจริญมั่นคงมาจากที่ไหนพอจะน่าชมเชยคนเราถ้ามันมีอะไรบังคับใจกายวาจาความประพฤติไว้บ้าน พอเป็นที่ยักยั้งชั่งดวงเวลาอารมณ์บ้าร้อยแปดมันขึ้นสมองซึ่งมีอยู่กับทุกคนแม้จะมีความรู้วิชาและฐานะดีเพียงไรก็ไปไม่รอดต้องจอดจมจนได้เพราะการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆนั้น่าไมา่ใช่เป็นของดีที่น่าสังเสรนินปลาท่านระวังมากจากการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆนั้นยิ่งกว่าการถูกทําลายจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นไหนๆไม่ขณะเดียวกัน ท่านพยายามประคองตนในทางดีงามโดยสม่ำเสมอไม่ยอมปล่อยตัวไปตามยะถากรรมดังที่เห็ น, หนกันจนหน้าทุเรศซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่นาอันโมธนานสันเถรยิ่งใครชอบมีนิสัยเติมนาตัวเองเตินสมัยโดยไม่คำนึงถึงสารประโยชน์หรือโทษทันอะไรจากสิ่งนั้นนั้นพอควรก่อนเพียงสิ่งนั้นนั้นผ่านหูผ่านตาคอยแต่จะฉวยมัฟจักปุ๊บมาเป็นความโก้หรูตามความเหืมะมลิงด้วยแล้วแล้วก็จะเขียนใบาตายไว้เลยก็ได้ โดดไปไม่กี่ก้าวก็ต้องลงเหวให้มแมลงวันบินตามไม่มีทางสงสัยการกล่าวท้งนี้ผมไม่ได้กล่าวเพื่อสนิโลกหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่กล่าวตามความจริงที่โร้เห็นเห็นกันอยู่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในวงมนุษย์เรานี่แหละไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าการปฏิบัติตัวแบบนั้นจะไม่ดนจมขิบหายต้องเป็นหนทางเดียวคือเขียนใบเสร็จใบาตาให้พร้อมทั้งที่ผู้นั้น ยังคุยอวดตัวว่ามีความฉลาดรอบรู้และมีฐานะดีมีเงินเป็นล้านๆเพราะเงินก็ตอนเป็นผู้หามาจะได้มาจากทางไหนใครเนี่ยไม่ทราบได้แต่การทำลายนั้นทําได้ง่ายนิดเดียวเช่นเดียวกับสมบัติในบ้านมีจานวนมากมายเพียงไรพอ ถ, ถูกไฟกำจัดทําลายเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก, ก็เรียดเป็นเท่าฐานไปเองอย่างไม่มีปัญหาผมพยายามเรียน และปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาแต่เริ่มบวชจนถึงวันนี้ซึ่งหลายปีพอควรเรียนและปฏิบัติไปเท่าไหร่ยิ่งมองเห็นความโง่ของตัวมากขึ้นโดยลำดับแทนที่จะได้ความฉลาดฉาดฉานพอมีความรูปแป้แปลกๆมาคัดข้านธรรมของพระองค์ท่านบ้างว่าตรัจไว้ในจริงไม่เป็นสวาขาธรรมและไม่เป็นมียานิกธรรมดังที่ประตาสอนไว้ในบางหมวดบางขั้นบางตอนแต่ไม่ว่าทำขั้นใดหมวดใดตอนใด เรียงไปปฏิบัติไปเท่าไรก็ยินทำให้เชื่อให้ยอมไปซะหมดต้องมีความรู้พอได้อวดตัวว่าเก่งกาศสามารถคัดค้างทำของพระองค์ได้เลยหมวดไหนคำพีใดก็มีแต่พระองค์ตรัสเรื่องควาโมโง่ของศา์ผูยังอวดตัวว่าเก่งกาศฉลาดรู้แต่สู้ลิงที่กลัวหาวิธีหลบซ่อนคนก็ไม่ได้ถ้าว่าพวกเราเก่งกว่าลิงก็ต้องรู้สิ่งที่เป็นขายะและหลบซ่อนทนคลายตัวเองบ้าง อย่าอาถารท้าทายมันักหนานี่มองไปที่ไหนก็ื่อเห็นแต่คนอดเก่งตับความชั่วเสียหายทั้งท่านและเราทั้งหลายไม่มีใครพอมีความฉลาดฝ่าเพลองพอลีเลี่ยงสิ่งที่นนาสมนินั้นไปได้บ้างไม่ผูกพิดปิดตายเปนสหายกับมันไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแข่งกันเลยไม่มีวันโผลพอมองเห็นธรรมในดวงใจที่ตายวาจาระบายออกมาพอเย็นใจท่านได้พิจารณาบ้างหรือเปล่าว่า าศัสนาธรรมของพระ เ, เจ้ามีความละเอียดสุขุมเพียงไรเพียงพวกเราจะเอาใจที่เต็มบริจเกลเอทที่แสนสกรปรกสมมุมประยังธรรมของพระองค์ก็จะได้แต่คําตำหนิตีเพียงติดขึ้นมาเท่านั้นว่าทำปฏิบัติยากผู้ปฏิบัติธรรมต้องฝืนกระแสะโลกจึงปฏิบัติได้บ้างพระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ไม่เห็นตรงกับสภาพความเป็นจริงของโลกบ้างทำแสดงไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แต่เราทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอะไรส่วนเขาไม่เห็นทำดีอะไรยังร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมหาศาลข้ามหน้าข้ามตาเราผู้ทำดีไปหยกๆยกทำไม่เห็นจริงตามที่ตรัสไปถ้าจริงว่าบาปมีจริงคนทำบาปไม่เห็นได้รับโทษส่วนคนทำดีเวลาจาเป็นไม่เห็นบุญมาช่วยบาปบาปบุญคงไม่มีนรกสวรรค์นิพพานคงไม่มีถ้ามีอยู่ที่ไหน คนตายแล้วทั้งคนดีคนชั่วเห็นจะหายเงียบไปเลยไม่เห็นกลับมาบอกว่าพอมีแก่ใจอยากทําบุญให้ทางรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาบ้างเผื่อเวลาตายไปจะได้ไปสวรรค์นิพพานกันเหล่านี้เป็นต้นที่จะติดใจของพวกเราขึ้นมาเวลาอย่างทมของพระพุทธเจ้าเพราะโลกชอบกันอย่างนี้จะให้ของดีตามที่ทาแสดงไว้ิตขึ้นมานั้นไม่มีหวังเพราะกิเลสไม่หวังทำแต่หวังเฉพาะกิเลสเท่านั้น จึงได้กิเลสความลามกขึ้นมาทำไม่ได้ตรัสไว้เพื่อคนจะพวกคอยตามล้างตามผลาญทําด้วยความคิดถิ่นต่างๆแต่ทํามีไว้เพื่อคนจำพวกที่ทันพิสูธาความจริงจากธรรมจริงๆจึงไม่ใช่ทําบนเอาเดาเอาคาดคะเนเอาดังพวกเราที่อย่างดูทำด้วยใจอสงมงของตนแล้วกวาเอาความสมงมขึ้นมาสูดดมเล่นด้วยความบ่นให้ทําแล้วก็ภูมิใจว่า ตนคิดได้พูดได้อย่างอิสระเสรีหาทราบไม่ว่าตัวสูตรของสิ่งสุขภพของตัวโดยไม่มีธรรมบุใดเข้ามาเกี่ยวข้องได้เ ส, สียด้วยเลยใครจะตัณฑ์ตีเจียนทำมากน้อยเพียงไรทำจะไม่มีส่วนกระทบกระเทือนด้วยนอกจากผู้นั้นจะพึงรับความกระทบกระเทือนจากการคิดการพูดของตัวจะฝ่ายเดียวทั้งที่นึกคึมในใจว่าตนมีเกียรติเพราะคัดค้านตานัณฑ์ธรรมได้ยอย่างสบาย คำมีความเละเอียดสุขุมมากอย่างที่ใจซึ่งมีกิเลสอย่างเราเรท่นทานๆานจะยังถึงได้ดังกล่าวมาฉะนั้นคาขอร้องท่านแม้จะเป็นเจตนาหวังดีจึงเป็นการกระเทือนส่วนใหญ่แห่งธรรมแฝงอยู่ด้วยก็ความประหยัดความมัธยัตความสำดความมักน้อยทำเหล่านี้คือความไม่ประมาทลืมตัวผู้ปฏิบัติทำเหล่านี้ไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสย่อมประคองตัวได้อย่างน่าชมพระแม้จะมีอธิเลกลาบมาก มีประชาชนเคารพนับถือมากหรือฆราวาสมีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็มาเยอายวนจองหองและลืมตัวกับสิ่งเหล่านั้นอย่างง่ายดายยังสามารถนําสิ่ง น, นั้นๆไปทําประโยชน์ได้ตามฐานะของมันอีกด้วยทั้งเป็นเครื่องส่งเสริมความสุขแก่เจ้าของและประดับเกียรติสมกับสมบัติมีไว้เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในคราวจําเป็นอย่างแท้จริงไม่กลายมาเป็นฆาตติดเครื่องทําลายตนให้เสียไปด้วยซึ่งมักมีอยู่จํานวนมาก แต่ไม่ค่อยสนใจคิดและแก้ไขกันพอให้มีความสงบเย็นและน่าดูผู้มีทําเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและประดับตัวย่อมเป็นผู้สง่างามในสายตาแห่งสุภาพชนทั้งหลายยิ่งกว่าผู้ชอบประดับตัวเร่เครื่องมัวเมาเย้ากิเลสซึ่งเห็นแล้วหน้าเวียนสีสันสำหรับตัวเองนั้นเห็นว่าโก ร, รู้เทวดาบนฟ้าสู้ไม่ได้ส่วนสุภาพชนเห็นแล้ปวปวดเสียงเวียนกล้าวไปตามๆกันถ้าลองคิดเทียบเคียงดูก็พอจะทราบได้ ระว่างทำทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรบ้างคือมองทำตรงข้ามกับทมที่กล่าวมานี้ความประหยัดความมัธยัติความสันโดษความมักน้อยเหล่านี้ผมจะแปลเอาความย่อยๆให้ฟังความประหยัดได้แก่ความเอาใจใส่ในการเก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้สอยต่างๆที่มีอยู่ของตนไม่ให้เสียไปด้วยความประมาทขาดการเอาใจใส่มาใช้แบบสุบายๆเวลาใช้ก็ระมัดระวัง แต่ควเสียด้วยเหตุไม่จําเป็นก็หมายเห้เสียเพราะสิ่งของแต่ละอย่างเกิดมีขึ้นด้วยการโขนขวายหรือการสแสวงหาไม่ได้เกิดมีขึ้นมาเองพอที่จะไม่เห็นคุณค่าของมันความมัธยัติออกจากใจของผู้มีความรักไข่ไฟใจในการใช้สอยและการเก็บรักษาสมบัติต่างๆด้วยความระมัดระวังไม่ใช้สอยแบบปเปี่ยร่าสายกระจายเมื่อหยุดใช้ก็เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยความมัธยัต คือความเห็นคุณค่าแห่งสมบัติทุกชิ้นว่ามีประโยชน์ตามฐานะของมันการกินอยู่ใช้สอนไม่ฝุ่งเฟือยและไม่ทำให้ฝืดเครืองเมื่อสิ่งของเครื่องสนองมีอยู่แต่ไม่ลืมตัวไปกับสมบัติที่มีมากพยายามทำสมบัตินั้นให้เกิดประโยชน์ตามฐานะของมันไม่ตะหันีเหนียวแน่นมีการสงเคราะห์ให้ทานเช่นเดียวกับคนทั่วไปหรืออาจทาได้มากกว่า้วยเหตุผลที่ควร เพราะความประหยัดกับความมัธยัสถ์เป็นคำของปราทุ่มีเหตุผลรอบตัวและสิ่งเกี่ยวข้องทั่วไปการประหยัดกับการมัธยัสถ์ของผู้นั้นจึงไม่ได้เอ็นไปในทางที่น่าตำหนินอกจากเป็นวิธีการดำเนินที่น่าชมเชยโดย่ายเดียวคนประหยัดและมัธยัสถ์เป็นบุคคลที่รอบครอบในสังคมและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีไม่ค่อยเสียไปยเพราะสิ่งยั่วยุนกวัใจของกิเลสเวลาสัมผัสทางทวาร และเป็นผู้ยับยั้งสร้านทางสิ่งเคลือบแฝงแปลงปลอมของโลกสังคมด้วยวิจารณญาณได้ดีไม่เตือนไปกับสิ่งตอกร้อนชอนชายอย่างง่ายได้มีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนไม่ชอบโกรธโผลนโดนโน้นชนนี้ด้วยความร้นั่งแห่งราคะตัณหาวางตัวกับสิ่งทั้งหลายได้โดยสมองเสมอผมจะยกตัวอย่างทางคารวะให้ท่านฟังพอเป็นข้อคิดในทางข้อนี้ว่ามีคุณค่าแก่ จิตใจคนมากน้อยเพียงไรและเป็นธรรมจาเป็นแก่จิตใจโลกเพียงไรเช่นผู้มีพัญญาสามีเป็นสมบัติอันตรายตัวของแต่ละฝ่ายแล้วมีความยินดีกับสมบัติของตนไม่ปล่อให้จิตผาดโผนโลดเส้นเผ่นไปเที่ยวรักสามีพัญญาหรืออินูอินูตามถนนหนทางอันเป็นการละเมิดธรรมสันโดษคือพัญญาสามีอันเป็นสมบัติเก่าที่อยู่ของตนแม้จะมีความต้องตาต้องใจอยู่บ้างตามวิสัยผุ้ทุชน ที่ชอบกินไม่เลือกและไม่มีเมืองพอก็ตามแต่ทำสันโดษต้องเข้มแข็งผลักดันต้านทานอารมณ์การฝากนั้นไว้เมื่อยอมให้จิตและกายกับสิ่งนั้นไหลผ่านเข้ามาประสานพระเท้ากับสมบัติเก่าของตนจะกลายเป็นศรกลางเมืองกลางบา้านกลางสามีพ ญ, ญาเข้ารอบควจะแตกสมบัติจะรั่วไหลไปสู่ความฉิบหายคนใกล้จะกลายเป็นอื่นวางสุขที่เคยครองเพราะทำสันโดษช่วยป้องกัน จะแตกลายหายสูญเพื่อธรรมสันโดษเป็นชีวิติตใจไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากสมบัติเดิมที่มีอยู่ของตนแม้สมบัติอื่นที่ไม่ใช่ของตนก็ไม่ใส่ใจใยดีและละโมบโลกมากอยากได้ของเขาผู้นั้นครอบครัวนั้นย่อมเป็นสุขร่วมกันตลอดอสาะไม่มีความร้าวรานเพราะการยินดีเลยขอบเขตสามีพัญญาและลูกเ้าย่อมมีความสงบสุขและตายใจโดยทั่วกัน ม, มีความระแวงมาทําลายสมบัติต่างๆก็มีความสนิทใจว่าเป็นของส่วนอย่างแท้จริงไม่มีสมบัติประเภทกาฝากที่เที่ยวคดทเที่ยวโกงเข้ามาสับปนมีเฉพาะศานีพัญญาลูกเต้าล้านเหรนและสมบัติของส่วนล้วนๆจึ่งมีแต่ความอบอุ่นเย็นใจเพราะธรรมสันโดษคุ้มครองรักษาอย่างคนและครอบครัวนั้นให้มีคุณค่าทางใจส่วนความมากน้อยนั้นเป็นธําที่ละเอียดมากกว่าความสําโดษขึ้นอีกมากมาย แต่มันทํำคู่คลนแต่ครอบครัวและชายหน่มหญิงสาวอย่างยิ่งจะพึงปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตคือถ้าชายหนุ่มกับหญิงสาวก็มีรักเดียวไม่มีพวกมีแพรมาแอบแฝงทางใาอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความน้อยเนื้อต่าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหาเศถหาเลยไม่เห็นคุณค่าของตนแล้วเกิดความอิจนะระอาัยที่จะฝ่ากชีวิตจิตใจฝ่ากเป็นฝ่ากตายในการต่อไปคือเมื่อเป็นคู่รักก็ต้องรักเดียวไม่มีสองกับใครอื่น ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีความซื่อสัตย์ต่อกันแต่ขั้นเริ่มเป็นคู่รักจนเป็นคู่ครองตลอดอมสารแห่งชีวิตไม่ยินดีกับใครอื่นซึ่งไม่ใช่คู่รักของตนมีเพียงคู่รักคนเดียวเท่านั้นเป็นจิตใจที่จะสูดลมหายใจร่วมได้อย่างสนิทใจนอกนั้นถือว่าเป็นประเภทกาฝากที่จะคอยทาลายความสัมพันธ์ให้แตกเลาไปโดยไม่สงสัยถ้าเป็นคู่ครองก็มีเพียงสามีพญานาของตนเท่านั้น นอกนั้นแม้เป็นเทวดามาก็ไม่เที่ยวเพราะไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของตนมีความยินดีและตายใจด้วยเพียงพรา่ออินูกับแม่อินูสองคนเท่านั้นนอกนั้นมิใช่ความมักน้อยของผู้ต้องการความสงบสุขในครอบครัวซึ่งสามีพ ญ, ญายจะตายใจได้เมื่อกล่าวถึงความประหยัดความมัธยัติความสันโดษและความมักน้อยแล้วก็ควร น, นํำทำตรงข้ามมาเทียบเทียงกันพอทราบความหนักเบาของทำทั้งสองว่า มีคุณสมบัติและโทษต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อผู้สนใจในเหตุผลความจริงจะได้นําไปพิจารณาและคัดเลือกปฏิบัติตามที่เห็นควรคือความฟุ้งเฟอ้อเหอะเหือมในวัตถุและอารมณ์ความสุย่ยสลายฟุ้งเฟือยความมีหนึ่งแล้วคิดอยากมีสองมีสามไม่ดีในของมีอยู่ของตนและความมากัมกมากในทุกสิ่งบรรดาที่เป็นค่าศึกแก่ตนและผู้อื่นเหล่านี้เป็นข้าศึกต่อธรรมที่กล่าวมาแล้วเหล่านั้น กาเรเปลีงเกลียวกับธรรมมีความประหยัดเป็นต้นเป็นทางเสื่อมเสียโดยถ่ายเดียวแม้ใครจะต้องการความสงบสุขและความเจริญโดยทําลายธรรมดังกล่าวนั้นย่อมหาความสงบสุขและความเจริญไม่ได้เพราะผิดทางไม่ว่าพระหรือครว่าท์ใครก็ตามทีเดินทางผิดย่อมเกิดความเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกันเพราะทําเป็นสายกลางแห่งทางดําเนินเพื่อความเจริญทั้งรักบวตและครว่าท์ แม้มีแยกกันไว้บ้างก็เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่นั้นเหมือนกันดังความสันโดษมากน้อยเป็นตน้นพระก็ดําเนินไปตามสายของพระคารวาสก็ปฏิบัติไปตามสายของตนผลย่อมเป็นความสงบสุขไปตามเหตุที่ปฏิบัติได้ภระสาวกสมัยพุทธกาลที่เป็นสังฆ์ขังสารนันขะฉามิของพวกเราโดยมากท่านปฏิบัติกันตามสายความสันโดษและมากน้อยไม่กลัวความอดอยากขาดแคลนแต่ความเป็นความตายยิ่งกว่า ความกลัวไม่รู้ไม่เห็นธรรมท่านกลัวไม่รู้ไม่เห็นธรรมท่านจึงพยายามทุ่มเทกําลังทุกส่วนลงทางความเพียรเพื่อรู้เพื่อเห็นท่านจึงได้รู้ได้เห็นธรรมอย่างสมใจส่วนพวกเรากลัวแต่จะอนจาขาดแคลนกลัวจะลำบากทรมานกลัวแต่จะตายอะไรขาดเหลือบ้างไม่ได้ใจหดหูเหี่ยวแห้งไม่เป็นอันบักเพียนภาพเพียนได้ภายในใจจึงมีใจกิเลสความกลัวตายเต็มไปหมดทําเลยอย่างลงไม่ได้ เพราะที่เด็กกี่กว่าไม่มีทางสชื่อทราบได้ไปที่ไหนอยู่ที่ใดท้มีประชาชนญาติโยมห้อมล้อมนับถือและหิวอาหารเป็นปิ่นโตปิ่นโตเดินตามหลังตามถ่วยชามต่างเคลื่อนไปด้วยอาหารขาวหวานชนิดต่างๆใจก็เบิกบานเพราะความชุ่มเย็นด้วยอาหารทั้งยิ้มทั้งพูดชมเชยด้วยความพอใจว่าที่นี่อากาศดีมากนะโยมทั้งสอดตรงทั้งหลงใจดีเรานาก็สะดวกสบาย ใจก็ไม่ต้องมาคับยากสงบไปเลยบางทีงมันภาวนาสะดวกหรือนอนหลับสบายก็ยากจะชนิฐานสำหรับพระที่ชอบอากาศแบบนี้เพราะการกินได้มากกับการนอนหลับดีและนอนได้มากนั้นมันเป็นคู่มิตรกันอย่างแยกไม่ออกผมเคยผ่านมาแล้วรู้เรื่องได้ดีถ้าไปอยู่สถานที่จะพอภาวนาดีบ้างเพราะปราศจากสิ่งรบ ก, กวนแต่ขาดแคลนอากาศคืออาหารหน่อย เพราะไม่ค่อยมีปนตัวเท้าใหญ่ๆเดินตามหลังเป็นคณะคณะเป็นหงพวงที่นั้นอากาศท่าจะแย่ทนไม่ไหวและบ่นว่าแหมโยมที่นีอากาศแย่ทนอยู่ไปไม่ไหวทึกเกินไปหายใจอุดอับไม่สะดวกภาวนาก็ไม่สงบจิตใจก็บังคับยากผิดธรรมดาที่เคยเป็นอาตมาทนอากาศทึกมากไม่ไหวต้องลาโยมไปวันนี้แล้วก็เพ่งไปหาอากาศที่ดีใหม่เพื่อการภาวนาจะได้รุดหน้านั่นฟังที่ท่าน ฟังพระทุโลงกรรมฐานอากาศอํานวยภาวนาจิตสงบลงได้ดีพอปิมโตห่างจากข้างบ้างชั่วอึดใจเดียวเกิดอากาศทึบขึ้นมาแล้วภาวนาจิตไม่สงบเผื่อว่าสิ่งนั้นก็บกพร่องสิ่งนี้ขาดเขินเข้าห ล, ลายๆอย่างด้วยกันอากาศจะเป็นอย่างไรผมว่าน่าจะตายในไม่ช้าเพราะไม่มีอากาศหายใจกรรมฐานอากาศแบบนี้ท่านฟังแล้วเป็นไงชอบใจไหมผมว่าเข้าทีดีนะถ้าท่านต้องการเห็นพระสถาคต และพระอาหารหันโองคแท้จริงประจักษ์ใจโดยไม่มีการสถานที่เขออา้ามาเกี่ยวข้องท่านจงพิจารณาให้เห็นความบกพร่องขาดแคลนและส ม, ม, ลมุนของธรรมดาปัจจัยสี่ว่าเป็นของธรรมดาซึ่งเพียงอาศัยเพื่อบรรุถึงความมุ่งหมายเท่านั้นเป็นคนเป็นอารมณ์กับสิ่งใดมากกว่าธรรมอันเป็นจุดที่หมายของการบําเพ็ญความฉันโสดมากน้อยนั่นแลคือทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายส่วนความเหลื่อเฟือนั้นคือทางเดินของพระกรรมถานอากาศดังกล่าวมา จะไม่มีวันท้นทุกไปได้ถ้าใจยังติดแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นการตัดกังวลกับสิ่งเพียวข้อ ง, จงาจๆก็เพื่อความเบาบางทางอารมณ์ที่เป็นกิเลสแต่ละประเภทผู้ใดก็าตา ม, ามาทีมยมมย่ยังไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมคือความสันโดษและความมักน้อเต็นต้นผู้นั้นยังไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมพอจะพยายามจะเกียกตะกายไปด้วยความบึกบึนอดทนแต่จะมากังวลกับปากับท้องกับความกลัอดโกลัตาอยู่นี้ทั้งนั้น สุดท้ายก็ติดจมอยู่กับเรื่องของปากของท้องซึ่งเคยทำความกังวลมาเป็นประจำการปฏิบัติธรรมธรรมยอมปล่อยวางอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางผ่านพ้นกิเลส ท, ทั้งหลายไปได้เพราะสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นกิเลสเครื่องผูกพันทั้งสิ้นท่านควรทราบว่าความกังวลกับสิ่งเหล่านั้นทํานักปฏิบัติให้ติดจมอยู่จนถอนตัวไม่ขึ้นหรือไม่คิดว่าเป็นกิเลสพอจะสนใจคิดและถอนถอนเสียได้ท้ำไป จะไปมุมเพนที่ใดพอจะปลดปล่อยกิเลสบนหัวใจออกได้บ้างแต่ก็มาหวงมาห่วงกิเลนเหล่านั้นจะสิ้ไปจากใจไม่มีอะไรมาให้พาสนุกพาเกา่าจําต้องพรุงพลังกันไปกับสิ่งเหล่านี้คิดไปพูดไปก็รู้สึกสลดสังเวชที่นักปฏิบัติเมาไม่เห็นความพ้นทุกข์เป็นธรรมมีคุณค่ายิ่งไปกว่ากิเลสที่เคยทรมานใจโดยเห็นความหวงปากห่วงท้องเป็นของสําคัญกว่าความปรด ความปล่อยวางเพื่อความหลดพล้นผู้กระยินในธรรมผิ้นครูอาจารย์พากันดําเนินเด็กเดียวอานทามเพียงไรก็ยิ่งมีความบากบานมั่นใจต่อความเพ่งของตนยิ่งขึ้นเพียงนั้นสมกับมาศึกษาอบรมเพื่ออเพื่อทำเพื่อความหลุดพ้นดวนกิเลสกองทุกออกจากใจจริงๆท่านกว่าคนเราก็คนท่านกว่าใจเราก็ใจท่านทนได้เราก็ทนได้ท่านถึงไหนเราจะพยายามให้ถึงนั่นไม่ยอมถอยหลังให้กิเลสหัวเราะเย้ยหยันได้ ถ้าหลุดพ้นเราก็จะพยายามให้หลุดพ้นตามท่านจนได้กิเลสท่านกับกิเลสเรามีอยู่เพียงหัวใจดวงเดียวเสมอกันไม่ได้กองรอคอยทับถมเพิ่มพูนอยู่ข้างหน้าข้างหลังท่าภูเขาป่าไม้อะไรเลยผู้มีความสนใจฝ่ตรอการศึกษาอบรมเพื่อตนเพื่อทำจริงๆดังกล่าวมา น, นี้ผมแน่ใจด้วยว่าต้องมีวัน ผ, นผ่านพ้นไปได้ในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนการปฏิบัติต่อบริคารต่างๆเช่น การปะการชุนหรือดัดแปลงซ่อมแซมไปตามกรณีนั้นก็เพราะหินคุณค่าให้ทำเหล่านี้มาประจำนิสัยและความเป็นห่วงหมูนะ่คณะจะไม่มีทางเลยในการต่อไปเพราะสมัยนี้มักมีแต่กรรมฐานที่กเกียจมากเกลยดทำอะไรก็มักจะทำแบบสุกเอาเผากินจนเสียมากพอเผาสุกบ้างกินหมดไปกับปากกับท้องกับฟองไฟพร้อมๆกันไม่มีอะไรเหลือเผื่อวันพรุ่งนี้เว็บเปิดนีหมายความว่า เพราะออกจากที่พาวลาก็ไม่มีคุณธรรมมีความสงบเย็นเป็นต้นเหลืออยู่ปลิวไปกับอารมณ์เสียหมดมองค์แลกิจกิจการที่ผมทํานั้นผมเชื่ออย่างฝังใจว่าเป็นอริยกิจอริยประเพณีที่ท่านดําเนินกันมาเพราะเป็นกิจที่ทําด้วยความเห็นภัยไม่ลืนตนไม่ใช่แบบเป็นที่ทั้งกินทั้งทิ้ทงทั้งคว้าหาของใหม่ไม่นสนใจกับของเก่าที่ยังพอกินเป็นอาหารอยู่เลยถ้าเป็นคนก็แบบบ้าเตือนสมัยนั่นแล จะมีหลักใจเพรอเป็นหลักเกณฑ์เพื่อทรงทรัพย์สมบัติได้อะไรกันใส่เสื้อตังตังเกณฑ์เครื่องนุ่งห่มใช้สายต่างๆเพียงตัวหรือผืนละหนสองหนก็หาว่าเก่าวว่าค่คําค่าคร่ำคลือร้าสมัยไม่ทันเขาก็ทิ้งแล้วคว่าหาใหม่ราวกับเงินทองไหลมาเองเหมือนหน้ามาหาสมุทรสาครฉะนั้นโดยไม่ได้คานึงว่าแม้จะเอาสิ่งที่มีราคาค่างวดมากมายเพียงไรมาประดับตกแต่ง ก็คือคนคนเดียวกับผู้กำลังเฟ้ออยู่นั่นแหละจะหาคุณค่าสาระอันยิ่งยวดมาจากไหนสวมใส่ระดับประดาเข้าไปแล้วก็เท่าเดิมนิสัยดีชั่วก็เท่าเดิมถ้าไม่ปฏิบัติตัวให้มีคุณค่าด้วยความประพฤติเพราะคนเรามีคุณค่าอยู่กับความรู้วิชาและความประพฤติตัวทงางหาไม่ได้มีอยู่กับเครื่องระดับประดาอะไรเลยพอที่จะหลงหลับจนไม่รู้จกตื่นสั่ง นอกจากทําเพื่อหลอกคนที่ตาฝ้าฟางให้หลงตามแบบกระจายตึงทุมและวิ่งจนแข้งหักขาหักไปต่างๆกันเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่น่าชมว่าเขามีคุณค่าขึ้นเป็นกองเพราะการแต่งตัวได้เครื่องหรูหราที่ร้อยผักพันเปลี่ยนวันหนึ่งไหลายชุดสิ่งที่ได้รับอย่างหลีกไม่พ้นก็คือความเสียนิสัยใจรั่วจะไม่มีหลักไม่เป็นตัวของตัวได้ด้วยหลักเกณฑ์ที่ดีสร้างความขีดหายแก่ตัวและสังคมตลอดอัตชนรุ่นหลัง ให้หลงตามกันไปไม่ที่สุดนี่คือผลไม่ดีต้องติดตามแน่นอนใครทําก็ผูนั้นต้องขจักกับตัวไปต้องหากรรมการมาตัดสินให้ลำบากเหมือนประัวสินค้าต่างๆสิ่งที่ชั่วย่อมทราบประชั่วดีก็ย่อมทราบพอดีทุกย่อมทราบว่าทุกสุกย่อมทราบประสุกรู้อยู่กับตัวไม่จําต้องให้ใครบอกถึงจะทราบการปฏิบัติธรรมข้เท่นกัน ท่านที่ปฏิบัติมาก่อนท่านได้รับผลเป็นที่พอใจมาแล้วจึงไม่วางแนวที่ถูกไว้ให้ดำเนินตามยังจะหาเรื่องว่าลำบากข่ำซื้อลาสมัยไม่ลงใจที่จะปฏิบัติตามท่านด้วยความเต็มใจอยู่แล้วก็หมด ท, งทางเหมือนคนตายไม่รู้จักดีชั่วสุขทุกข์อะไรเท่านั้นรองจากนั้นลงมาก็ออกปฏิบัติตัวแบบลิงไม่ต้องมีกฎมีระเบียบข้อบังคับกันอยากทำอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามวิสัยชัตว์ที่เหมือนภาษา แต่เราเป็นคนเป็นพระจะทําอย่างนั้นก็อยู่กับโลกเขาไม่ได้ต้องถูกไล่เข้าไปอยู่ในป่าช้า ก, กับคนตายหรือถูกไล่เข้าไปอยู่ในป่ากับผูงลิงแต่ก็จะไม่ยอมไปเพราะยังถือว่าตัวเป็นคนจะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายนั่นถือว่าตัวเป็นคนไม่ใช่ลิงจะไปอยู่ในที่เช น, นั้นไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนขวางโงกขวางทางเดินร่ำไปและทําให้จังกรมังเกียดเดือดร้อนไปด้วย การปฏิบัติธรรมแบบสะเทินน้ำสะเทินบกไม่เอาจริงเอาจังเป็นเรื่องขวางวงปฏิบัติอย่างนี้แหลแล้วยังจะเป็นกรรมฐานกางฝากในวงปฏิบัติแสงโมู่แสงคณะผู้ตั้งใจทําจริงไปด้วยไม่ยอมแยกจากวงคณะให้หายเพื่อนหายกลิงนสาบโจนเพื่อมีผู้มาติดต่อสอบถามธรรมะธรรมโมบ้าทจะได้คุยโมกับเขาด้วยว่าเป็นพระสุดงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์สาวแล้วขายโคลขายอาจารย์กินไปไเรื่อยยิ่งกว่าปลาเน่าในตลาดสียอีก การกล่าวทางนี้ผมไม่ได้ตั้งใจตำหนิท่านว่าเป็นพระกรรมฐานดังกล่าวมาแต่อย่างใดแต่อะไรที่จะเป็นสติแก่หมู่เพื่อนและวงคณะในาณะผมเป็นอาจารย์ก็จำต้องตักเตือนสั่งสอนเพื่อรู้หนทางหลบปีกปีกตัวและเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามผลย่อมเป็นของท่านทั้งหลายเองผมก็นับานแก่ชาราลงทุกวันเวลาต่อไปผวังในหมู่คณะจะบริหารกันไปตามเยี่ยนอย่างประเพณีที่พาดําเนินมา คำที่ท่านขอร้องผมนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดในชนะลูกศิษย์ของครูเพราะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันไม่เห็นครูอาจารย์ทําอะไรก็กลัวลำบากอยากให้อยู่สบายด้วยความครพรักและหวังพึ่งเป็นพึ่งทายอย่างจริงใจก็พวกปรึกษาปารถตามความหวังดีผมไม่ได้ถือว่าท่านเป็นผู้ผิดเพราะการขอร้องนั้นแต่เพื่อดํารงอายะประเพณีอันราบรื่นดีงามต่อไป เพื่อตนและกล บ, บุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ยึดเป็นหลักและดําเนินตามผมจึงของ น, มนมนุโมณะให้ตั้งใจบําเพ็ญตนในความประหยัดวัธยัตสันโดษมันกน้อยในปัจจัยทั้งหลายด้วยความจริงใจถือข้อสัคัญจะเป็นผู้ดําเนินปฏิบัติไปโดยสม่ำเสมอทกิเหตุมารยาทั้งหลายจะไม่รังควานรบกวนเกินกว่าเหตุเพราะมีทุดดวงวัดเป็นเครื่องกําจัดปัดเปาอยู่เสมอทำสี่ข้ อ, อนี้มีความสาคัญมากในวงปฏิบัติ มีมนภากันทราบว้อย่างถึงใจผู้มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจตราบใดจะเป็นผู้สงบเย็นทั้งใจทั้งกิริยาที่แสดงออกไม่มีมนฑินติดตามมาตราบนั้นไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเป็นสุขตมีกายวาจาใจอันสงบให้เป็นภัยแก่ผู้ใดกิริยาที่แสดงออกของพระผู้มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเป็นที่งามตาเย็นใจหมูนะ่คณะและประชาชนทุกชั้นตลอดเทวดาอินพรหมหน้าครุทั้งหลาย ขอให้มนทุกท่านจดจำไว้อย่างถึงใจและพยายามปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนอย่าได้ลดละลอยวางคำเหล่านี้คือหัวใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านรักสงวนมากเสมอด้วยชีวิตกิจใจส่วนสามัญธรรมนาอาจมีความคิดเห็นต่างกันแง่งน้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำและแน่ใจจงยึดคำว่าสังฆฉงสารนีรร้ให้มันคงถึงใจท่าสี่บทนั้นกับสังฆฉรณะมีคุณค่าดังนั้นกเท่ากัน ปัญหาของพระที่ขอร้องท่านให้อันรวมผ่อนผันในกลายเป็นการเทศยางเผ็ดร้อนและยืดยาวการแสดงธําของท่านยากที่จะมีผู้ตามทันบรรดาอุบายต่างๆทั้งอุบายครูเค้นและกรอบโยนล้วนเป็นสาระสาคัญแก่ผู้ฟังอย่างถึงใจไม่มีองค์ใดบรรดาที่นั่งฟังจะคิดหรือพูดว่าท่านเทศดูดาครูเค้นด้วยถือกิเดสเป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องมือมิจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า วันนี้ท่านเทศถึงใจเหลือเกินต้องอย่างนี้สิอยู่เฉยๆไม่ได้ฟังเทศแบบนี้ถ้ามีผู้อรรถธนาท่านแบบนี้รู้สึ ก, กว่าสนุกและอร่อยจริงๆใครมีอะไรก็เรียนถามท่านบ้างสิอยู่เฉยๆท่านไม่เทศแบบนี้ให้ฟังง่ายๆนะพระท่านคุยกันหลังจากฟังเทศท่านจบลงแล้วลงมายืนชุมนุมกันที่สภานหนูรับๆตามเคยปกติก็เป็นดังนั้นจริงๆถ้าไม่มีท่านผู้ใดเป็นต้นเหตุหท่านทรงเทศท่านก่อเทศไปธรรมดา แม้เป็นทําขั้นสูงก็รู้สึกไม่เข้มคนเหมือนมีเหตุบันดานให้ท่านเทศผู้เขียนชอความแบบนี้ถึงใจดีก็เป็นผู้มีนิสัยหยาบมาดั้งเดิมถ้าไม่ถูกแรงหนักบ้านทําไม่ค่อยเข้าถึงใจแม้ใจก็ไม่ค่อยได้อุบายต่างๆเหมือนฟังแบบนั้นขนาดาดของพระกระ บ, บาดเป็นบริขารจําเป็นของพระไทยในวงพระพุทธศาสนาที่จะขาดไปไม่ได้ และเป็นบริหารสําคัญแต่วันเริ่มอุปสมบทตลอดชีวิตแต่บาทมีหลายชนิดและมีขนาดต่างๆการตามหลักพระวิ น, าา น, นัยกําหนดไว้เฉพาะบาทพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นรู้สึกจะมีขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นส่วนมากทั้งนี้เนื่องจากท่านชอบชอบเที่ยวทุดงไปในที่ต่างๆตามป่าตามภูเขาประจำวิสยัยไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นฐานในเวลาออกพรรษาแล้วการเที่ยว ท่านชอบเดินด้วยเท้าเปล่าไฟตามอัทยาศัยบริขารจำเป็นที่ควรนำติดตัวไปด้วยในเวลาออกสุโรมนั้นไม่มีมากมีเพียงบาสังคาติชีวรนสบงผ้าอาบน้ำกรดมงุงกาน้ำเครื่องคลองน้ำมีดโกนรองเท้าเทีนยนไขบ้างเล็กน้อยและโคมไฟที่เย็บพุ่มด้วยผ้าขาวสำหรับจุดเทียนเดินจงกรมทางความเพีย และถือที่อไปมาตามบริเวณที่พักในเวลาค่มคืนแทนตะเกียงบริขารบางอย่างเช่นผ้าสังคาติมุง้งอีดโกนเพียงขายและโคมไฟท่านชอบใส่ลงในบาทดังนั้นบาทพระธุรงจรึงมักใจผิดธรรมดาบาททั้งหลายที่ใช้กันเพราะจำต้องใส่บริขารเพื่อความสะดวกในเวลาเดินทางพอบาทเต็มบริขารก็หมดพอดีเมื่อใส่บริการลงเต็มบาทแล้วก็เตรียมสะพายออกเดินทางบาทข้าหนึ่งแบกรถ ไต้สพาย่ามเล็กๆอีกค่าหนึ่งสพายบาซึ่งหนักอาการเฉพาะท่านที่ไม่เคยชินก็น่าจะแย่อยู่บ้างหรืออาจสพายไปไม่ไหวแต่ความเป็นทากรรมฐานก็เทียบกับนักรบในสงครามจำต้องอดทนต่อเหตุการณ์ที่จะพึงพเผชิญบา ท, ที่มีขนาดใหญ่บ้างเวลาฉันจังหันก็สะดวกเพราะท่านฉันสํารวมในบาทใบเดียวมีขามีหวานท่านรวมลงในบาททั้งสิ้นไม่ เ, เกี่ยวกับภาชนะทุเรียน พอช้ำเสร็จก็ล้างและเช็ดบาดให้สะอาดปราศจากกลิ่นอายการล้างบาดอย่างน้อยต้องล้างถึงสามน้ำเมื่อเช็ดแห้งแล้วถ้ามีแดดก็พึ่งครู่หนึ่งและเก็บไว้ในที่ควรถ้าอากาศเย็นสายฝนไม่ตกก็เปิดฝาไว้เพื่อให้หายกลิ่นที่อาดค้าอยู่ภายในการรักษาบาดทารกษาอย่างเข้มงวดกวดทั้งเป็นพิเศษคนไม่เคยล้างไม่เคยเช็ดและไม่เคยรักษาบาด ท, ท่านไม่อาจมอบบาดให้อย่างไง่ายได้เพราะกลัวบาดจะเข้าสนิม กลัวจะวางไว้ในที่ไม่ปลอดภัยกลัวบาด จ, จะกระทบของแข็งและกลัวตกลงถูกอะไรอะไรแตกบริบุกและเกิดสนิมในวาระต่อไปเมื่อเกิดสนิมแล้วต้องขัดไม้หมดทั้งลูกทั้งขนองั้างในแล้วระบบไ้วไฟอีกถึงห้าไฟตามพระวิ น, นัย